ลำดับนั้นบิดาคิดว่าลูกของเรายังมีชีวิตอยู่เราจะทําสัจจกิริยาบ้างจึงได้ทําสัจจกิริยาอย่างนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าบิดาผู้ระทมจิตด้วยความโศกถึงบุตรได้เห็นสามะผู้เป็นบุตรนอนเกลือกเปื้อนด้วยฝุ่นทรายได้กล่าวคําสัตว์ว่า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 บุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามะกระทำแล้วแก่เราและแก่มารดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามะจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจจกิริยาอยู่อย่างนี้พระมหาสัตว์พลิกตัวอีกข้างหนึ่งนอนต่อไปลำดับนั้นเทพธิดาผู้มีนามว่าพระสุนทรี ได้ทำสัจจกิริยาลำดับที่สามแก่พระมหาสัต์นั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตัสว่านางพระสนทรีเทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศมากล่าวสัจจวาจาด้วยความเอ็นดูสามะกุมารว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศ ต, ตลอดราตรีนาน ใครๆอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามะกุมารไม่มีอหอมล้วนแล้วด้วยไม้หอมทั้งหมดนคันธมาฏบรรพสมีอยู่ด้วยสัจจะวาจานี้ขอพิษของสามกุมารจงหายไปเมื่อรูอสีทั้งสองบนเพอรำพันเป็นอันมากน่าสงสารสามกุมารผู้หนุ่มงดงามหน้าทัศนาก็ลุกขึ้นเร็วพลัน บรรดารมเหล่านั้นคำว่าปรัตตยาหังตัดบทเป็นปรัตเตอะหังความว่าเราอยู่ณบันพธคำว่าล้วนแล้วด้วยไม้หอมวณมะยาได้แก่ล้วนแล้วไปด้วยต้นไม้มีกลิ่นหอมที่ภูเขานั้นไม่มีต้นไม้อะไรอะไรที่ไม่มีกลิ่นหอมเลยคำว่าเมื่อฤาษีทั้งสองนั้น เตสังความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อฤาษีทั้งสองนั้นบนเพอรำพันกันอยู่นั่นแหลสามะกุมารได้ลุกขึ้นเร็วพลันในการที่เทพธิดาทําสัจจ ก, กิริยาจบลงความเจ็บป่วยของสามะกุมาร น, นั้นได้คลายหายไปเหมือนน้ำกลิ้งจากใบบัวไม่ปรากฏแผลที่ถูกยิงว่าถูกยิงตรงนี้ถูกยิงณที่นี้ คามอัศจรรย์ทั้งปวงคือพระมหาสัตว์หายโรคหรือศีพุเป็นมานดาบิดาได้ดวงตากลับเห็นเป็นปกติแสงอรุณขึ้นและท่านทั้งสี่เหล่านั้นปรากฏที่อาสมด้วยอนุภาพของเทวดาได้มีขึ้นในขณะเดียวกันทีเดียวมานดาบิดาทั้งสองได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามะหายโรค ลำดับนั้นสามะบัณดิตได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นด้วยคาถานี้ว่าข้าพเจ้ามีนามว่าสามะเพราะความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าลุกขึ้นได้แล้วโดยสวัสดีขอท่านทั้งหลายอย่าคร่อมครวนนักเลยจงพูดกับข้าพเจ้าด้วยเสียงอันไพเราะเถิดลำดับนั้นพระมหาสัตว์แลเห็นพระราชา เมื่อจะทูลปฏิสันฐานจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่มหาบาพิธพระองค์เสด็จมาดีแล้วอนหนึ่งพระองค์เสด็จมาดีมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้มีอิสระเสด็จมาถึงแล้วขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้ข้าแต่มหาบาพิธเชิญเสวยผลมาพลับผลมาหาดผลมะสางและผลหมากเม่า อันเป็นผลไม้เล็กน้อยขอได้โปรดเลือกเสวยผลที่ดีๆเถิ ด, ดข้าแต่มหาบาพิษถ้าทรงพระประสงค์ขอจงทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นน้ำมาแต่ซอกเขาฝ่ายพระราชาท่าพระเงตเห็นอัศจรรย์นั้นจึงตรัสว่าข้าพเจ้างงงเอามากงงเอาจริงๆมืดไปทั่วทิศ ข้พเจ้าได้เห็นสามะบัณฑิตนั้นทํากาลกิริยาละไปแล้วทําไมท่านมีชีวิตได้อีกเล่าหนอบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าละไปแล้วเปตังความว่าได้เห็นสามะบัณฑิตทํากาลกิริยาแล้วคําว่าทําไมท่านหนอโกนุตวังความว่าพระราชาตรัสถามว่า ท่านกลับเป็นขึ้นมาได้อย่างไรเนอะฝ่ายสามะบันดิตดำริว่าพระราชาทรงกำหนดเราว่าตายแล้วเราจากประกาศความที่เรายังไม่ตายแก่พระองค์จึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโลกเข้าใจซึ่งบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่สเสวยเวทนาอย่างหนักหมดความรู้สึกยังเป็นอยู่แท้ๆว่าตายแล้ว ข้าแต่มหาราชเจ้าโลกเข้าใจซึ่งบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่สเสวยเวทนาอย่างหนักถึงความดับสนิทระงับแล้วนั้นยังเป็นอยู่แท้แท้ว่าตายแล้วบรรดาคาเหล่านั้นคำว่ายังเป็นอยู่แท้แทะปิชีวังได้แก่ยังมีชีวิตอยู่แท้แทะคำว่าหมดความรู้สึก อุปนีตะมณ ะ, ะสังกับปังได้แก่มีจิตวระอย่างลงในผวังคาว่ายังมีชีวิตอยู่ชีวันตังได้แก่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆคําว่าเข้าใจมัญะเตความว่าโลกนี้ย่อมสำคัญว่าผู้นี้ตายแล้วคาว่าถึงความดับสนิทนิโรธคตังความว่า สามะบันดิตกล่าวว่าโลกย่อมสำคัญซึ่งบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่มีอัศสะปัสสะถึงความดับสนิทระงับแล้วยังเป็นอยู่แท้ๆเช่นข้าพระองค์ว่าตายแล้วอย่างนี้ก็แลครั้นทูนอย่างนี้แล้วพระมหาสัตรประสงค์จะประกอบพระราชาไว้ในประโยชน์เมื่อแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาอีกสองคาถาว่า บุคคลใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมแก้ไขคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดานั้นบุคคลใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรมนักปราดทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาได้สดับคำนั้นแล้วทรงดาริว่า น่าอัศจรรย์เนอแม้เทวดาทั้งหลายก็เยียวยาโรคที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาสามะบันดิตนี้งดงามเหลือเกินจงดำริชนีแล้วประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้านี้งุนงงเอามากจริงๆมืดไปทั่วทิศท่านสามะบันดิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสารณะ และขอท่านจงเป็นสารณะของข้าพเจ้าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามากจริงๆริพิโยความว่าเพราะข้าพเจ้าได้ทําผิดในผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเช่นท่านฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหลงเอาจริงๆเหลือเกินข้อว่าและขอท่านจงเป็นสารณะของข้าพเจ้าตะวันจะมีสารหนังภาวะ ความว่าข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสารณะและขอท่านจงเป็นสารณะคือจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าผู้ขอถึงสารณะคือขอท่านจงทำข้าพเจ้าให้ไปเทวโลกลำดับนั้นพระมหาสัตทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าถ้าพระองค์มีพระประสงค์เสด็จสู่เทวโลกมีพระประสงค์บริโภคทิพยะสะมบัตใหญ่ จงทรงประพฤติในทศพิตราชธรรมจัญญาเหล่านี้เถิดเมื่อจะถวายโอวาทแต่พระราชาจึงได้กล่าวคาถาอันว่าด้วยการประพฤติทศพิตราชธรรมว่าข้าแต่ขติยะมหาราชขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตในพาหณะและพลนิกาย ในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบทในสมณะและพรอมในฝูงมรึกและฝูงปักสีเถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติทธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจกเสด็จสู่สวรรค์ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติทธรรมเถิดทาที่พระองค์ทรงประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ รั้นพระองค์ทรงประพฤติ ธ, ธรรมในโลกนี้แล้วจกเสด็จสู่สวรรค์ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติ ธ, ธรรมเถิดพระอินเทพเจ้าพร้อมทั้งพระภมถึงแล้วซึ่งทิพยสถานด้วยธรรมที่ประพฤติดีแล้วข้าแต่พระราชาขอพระองค์ยาทรงประมาท ธ, ธรรม ก็เนื้อความของคาถาเหล่านั้นมีกล่าวไว้โดยพิษดารแล้วในสกุณชาดกนั้นแหลพระมหาสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทของพระมหาสัตว์นั้นด้วยพระเสียรทรงไหว้พระโพธิสัตว์ขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาเบญจศีลครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอในที่สุดแห่งพระชนได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าบ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรง ม, มารดาบิดายังอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดพร้อมด้วยมารดาบิดามิได้เสื่อมจากฌานในที่สุดแห่งอายุ ได้เข้าถึงพรหมโลกพร้อมด้วยมารดาบิดานั่นแลพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วตรัสว่าภิษุทั้งหลายชื่อว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสชนีแล้วทรงประกาศอริยสัจสี่ประชุมชาดกในเวลาเทศนาอริยสัจสี่จบลงภิกษุนั้นบรรลุโสดาปฏิพันธ์ พระราชาปิละยักษราชในการนั้นได้เป็นภิกษุชื่ออานน์ในการบัดนี้พระสุนทรีเทศทิดาในการนั้นได้เป็นภิกษุณีชื่ออุบบนวนาในการบัดนี้เท้าศักกะเทวราชในการนั้นได้เป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในการบัดนี้ทุกุลบัณฑิตผู้บิดาในการนั้น ได้เป็นภิกษุชื่อมหากัสสะในการบัดนี้นางปาริกาผู้มารดาในการนั้นได้เป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิลานีในการบัดนี้สุวรณสามบัณฑิตในการนั้นก็คือเราผู้สัมมาสัมพุทธนี้เองแลสวรรณสามชาดกจบ